คถาว่าไงนะคุณหมอที่อนาถบิณฑิกะเถรทีกล่าวว่าบุคคลจะ บ, บริสุทธิ์เพราะเพราะกรรมวิชาชกรรมวิชาธรรมะชีวิตอันอุดมนั่นแหละเชิญทานหนึ่งนะจั บ, บริสุทธิ์ได้ก็เพราะกรรมสองวิชาสามกรรมแล้วนะเอาว่าไปแล้ว ธรรมะนะจะบรรลุเพราะธรรมะแล้วก็ชีวิตอันอุดมตกไปอีกข้อหนึ่งได้สี่ข้อเออสี่ด้วยอีกข้อหนึ่งนั่นแหละได้คะแนนเต็มร้อยเลยนั่นแหละได้ห้าห้าอย่างนะไม่บริสุทธิ์บุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยธรรมะเหล่านี้ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรไม่ใช่ว่าตระกูลดีเลยบริสุทธิ์ได้ไม่ได้บริบริสุทธิ์เพราะทรัพย์นั่นแหละ แต่บริสุทธิ์เพราะวิชาเหล่าวิชาเป็นต้นเหล่านี้นี่เองสรุปแล้วถามาธรรมะทั้งหมดคืออะไรสรุปแล้วก็คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปดสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดถามว่าอุปนิสัยหรือปัจจัยของอริยมรรคคือองค์แปดได้แก่อะไรก็พวกวิวปัสสนาเป็นต้นวิปัสสนาก็มีอุปนิสัยอุปนิสัยปัจจัยของวิปัสสนาคืออะไร สัมมาสมาธิอุปนิสัยของสัมมาสมาธิได้แก่ศีลปัจจัยของศีลอุปนิสัยของศีลได้แก่นั่นนะพวกฮิริโอตปะเป็นต้นเป็นอุปนิสัยให้เกิดศีล น, นั่นแหละแล้วก็ผู้ที่จะมีฮิริโอตปะนั้นมีอะไรเป็นอุปนิสัยมีการฟังทมคำสอนเป็นอุปนิสัย คนที่ได้ฟังเหล่านั้นแสดงว่ามีอะไรเป็นอุปนิสัยเพราะครบสัตว์บุรุษหรือมีศรัทธาในสัตว์บูรุษนั่นแหละเป็นอุปนิสัยให้คนที่จะมีศรัทธาเป็นต้นเป็นอุปนิสัยได้คนนั้นต้องบุญเก่าเข้าดีนะเขาสะสมบุญไว้แล้วแต่ปางก้อนของเรานะไอ้ครั้งที่แล้วมันยังไม่สะสมก็ไม่เป็นไรก็นับหนึ่งใหม่ใช่ไหมโหชาติหน้าถ้าเราสะสมบุญชาตินี้ไว้ใช่ไหมชาติหน้าเราก็ต้องมีบุญเยอะใช่ไหมเพราะสั่งสมชาตินี้แล้ว เพราะชาตินี้จะเป็นปุเพกตะปุญยตาของชาติต่อๆไปอีกต่อไปนะอาสาบุคคลอาศัยกายและโพธะพระเกิดกายวิญญาณคําพูดดูซ้ำนะแต่ถ้าเราไม่ไม่พิจารณาตามมันก็ดูซ้ําๆกันแต่ถ้าพิจารณาแต่ละทวาร น, นะรู้ว่าหวคนละเรื่องกันเลยเพียงแต่ถ้อยคํามันพ้องกันเท่านั้นเองอาศัยกายกับโพธะพระเกิดกายวิญญาณความปะ จบของธรรมะทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเรียกว่าย่อมสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมิใช่ทุกข์มิใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินพูดถึงดำรงอยู่ด้วยความติดใจจึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่าให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 ทุกขเวทนายังไม่ถอน อ, อวิชานุสัยเพราะอาทุกขม ส, สุ ข, ขเวทนายังไม่ทําวิ ช, ชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิ ช, ชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุก์ในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ทีนี้ข้อสุดท้ายนะมนโนบุคคลอาศัยมนโนได้แก่ภวังนะมนโนภวังมนโนกับภวังเนี่ยอันเดียวกัน หรือบางทีเนี่ยคำว่ามโนนี่รวบไปถึงอาวัชนะด้วยคือมโนทวาราวัชนะกับปัญจทาาวาราวัชนะด้วยและธรรมอารมณ์เกิดมโนวิญญาณความประจบของธรรมะทั้งสามเป็นภัสสะเพราะภัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์คือเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมิใช่ทุกข์มิใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลิน พูดถึงดำรงอยู่ด้วยความติดใจจึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำให้คร่ำครวญทุ่มอกถึงความหลงพร้อมจึงมีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่ตรงนั้นเนี่ยงองูมันหายไปไเติมงองูให้เขาหน่อยอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไป คุณโทษและที่สรัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงมีอวิชานุใสนอนเนื่องอยู่ดูความพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่บุคคลยังไม่ละราคานุใสเพราะสุขเวทนาอย่างไม่บรรเทาปฏิคานุใสเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนตรงนั้นนี่อวิชานะอวิชานุใสวิชานุใสไม่มีนะมีแต่คำว่าอาวิชานุไสใสาอาะเข้าให้หน่อย ยังไม่ถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกคมุขเวทนายังไม่ทำวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทาที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ไคือหนังสือเล่มโตโตเนี่ยนะส ะ, สะอาดตกบ้างก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาบางอย่างก็อ่านแบบคำอธิบายบางอย่างก็อ่านอธิบายเสริมเข้าไปแต่ว่าให้เรารู้ว่าหลักฐานเดิมนี่คืออะไร เพราะบางอย่างนะไม่ได้อ่านตามตัวทั้งหมดอบอกก่อนนะเพราะว่าคือบางสำนวนนั้นถ้าเราไม่อ่านเพิ่มนะเราจะเข้าใจเป็นอื่นไปถ้าไปเจอในสัพท์ตรงนั้นหรือบางทีเนี่ยเราจะให้คำอธิบายเพิ่มในตัวเลยโดยที่ที่ไม่ได้บอกว่านี่เป็นคำอธิบายซึ่งบางอย่างคำอธิบายนั้นก็เก็บมาจากอัตคัาก่อนคืออาศัยอ่านก่อนแล้วก็อธิบายไปพร้อมไปเลย ฟังแนวคําอธิบายด้วยในส่วนหนึ่งนะเพราะว่าถามว่าคําอธิบายเหล่านี้ขอจะมาเอามาจากไหนมาก็เก็บมาจากอัตกถาซึ่งได้อ่านอัตรกระถามาก่อนหน้านี้แล้วบางอย่างควรอธิบายเสริมเราก็จะอธิบายเสริมไปในตัวเขาเรียกว่าเป็นอธิปายยถาไม่ได้อ่านตามพยัญชนะตรงๆเพราะบางคําถ้าเป็นพยัญชนะตรงๆอยู่แล้วเราก็พออ่านอ่านได้อยู่แล้วนะมาเชื่อว่าทุกคนอ่านหนังสือออกอยู่แล้วนั่นแหละ อัตกถาก็อยู่ข้างหลังที่จริงถ่ายให้ไปแต่เราอ่านถูกหรือเปล่าว่ามันอยู่ตรงไหนไม่ใช่ไม่แจกนะก็ข้างหลังก็มีอัตกถ า, าอยู่ด้วย mm hmm. แต่ทีนี้ว่าบางคนนี่ก็ไม่รู้ไอ้คานั้นอธิบายตรงไหนถ้าเราไล่ลําดับเรื่องไม่ถูกเราก็ไม่รู้ว่าขยายศัพท์ไหนอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าวิชานี้ของธรรมาก็เชื่อว่าไม่ได้จบภายในสองวันซึ่งซึ่งก็อธิบายมาอย่างนี้มาตั้งตั้งหลายเดือนแล้วนั่นแหละแต่ไม่ได้บอก วิธีการอธิบายเพราะบางอย่างไม่ได้อ่านหมดนะเพราะบางอย่างเนี่ย ต, ต้องต้องตัดเพราะว่าบางอย่างมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเราซึ่งถ้าหากว่าจะอ่านให้เต็มบริบูรณ์อย่างนั้นเรียกว่าเรียนแบบวิชาการถ้าเรียนแบบวิชาการตรงๆเนี่ยเชื่อว่าปนันจุบกลับบ้านกันหมดแล้วนะเพราะว่าจะยากกว่านี้บ้างก็ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นเรื่องที่เรายังไม่คุ้นเลยแต่พอเราฟังคําอธิบายไประดับหนึ่งแล้วนี่น่าจะกลับไปอ่านเองเริ่มเข้าใจขึ้น เห็นสับเห็นแสงบางอย่างก็เริ่มเข้าใจขึ้นต่อไปถ้าเราเก่งมากขึ้นเราจะสามารถรู้ว่าคํานี้เนี่ยมีอธิบายที่ไหนบ้างเราสามารถที่จะค้นคว้าต่อๆไปได้ซึ่งเบื้องต้นนี้เราก็ให้ได้มีโอกาสได้ฟังคําพูดที่เป็นแนวพสูตรไปก่อนแต่ว่าทํายังไงเราจะรู้ผิดรู้ถูกได้ตรงนั้นแหละคือคือสิ่งที่แต่มาต้องการที่สุดทํำยังไงเราจึงจะรู้ว่าเออนี่ผิดนะเออนี่ถูกนะเอานี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์นี้เป็นทางแห่งความ ไม่บริสุทธิ์เมื่อ น, นั่นแหละจะพอใจมากเพราะว่านี่เป็นเป็นวิธีการศึกษาเพราะว่าเป้าหมายจริงๆต้องการให้เราทั้งหลายไปศึกษาพระไตรปิฎกต่อไปได้นั่นแหละก็จึงเอาหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องไตรสารณาคมมาตั้งไว้ตั้งแต่ต้นและว่าเราเนี่ยศึกษาไปเราต้องเข้าถึงไตรสารณาคมนะเราต้องทราบซึ้งในพระคุณของพระผู้มีพระภาคมากขึ้นนะไม่ใช่ไปติดในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีมีกิเลสอยู่เราก็ยอมรับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเราอสอนให้เนรคุณจนไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้ว่าใครเป็นใครเสมอกันหมดก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกแต่เพียงให้เรารู้ว่าอะไรคือสารณะที่สุดของเราอะไรคือที่พึ่งอันกเกษมที่สุดของเราใช่ไหมเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์สหธรรมิกก็ถือว่าก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะซึ่งไม่ใช่สารณะคมใช่ไหมเราต้องแยกให้ได้ว่าอะไรคือสารณะ สิ่งที่เรามอบกายถวายชีวิตให้ใครเป็นผู้ชี้ชี้แนะทางให้เราไงเราก็ต้องต้องปรับความรู้ความเข้าใจปรับความรู้สึกนึกคิดของเราให้ถูกต้องถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะลําบากถ้าหากว่าเราไปเป็นเมืองขึ้นทางความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะลําบากนะถ้าหากว่าตกเป็นเมืองขึ้นทางความคิดแล้วเสร็จแล้วคนนั้นไปไม่ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ได้ดีจริงๆเหมือนที่เราคิดเสร็จแล้วเราก็ผิดหวัง พอผิดหวังเสร็จแล้วบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะพระศาสนาเป็นศาสนาที่สะอาดบริสุทธิด์ดีดีเกินกว่าที่เราจะบรรยายได้แต่ก็ให้เราฟังให้ออกกันแล้วกันให้เรามีโอกาสได้ไ ด, ได้ศึกษาคำสอนที่จริงหนังสือที่ถ่ายเอกสารส่วนใหญ่ที่ที่แจกให้ไปเป็นเอกสารที่ถ่ายระจากพระไตรปิฎก น, น่ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นอย่างนั้นซึ่ง ถ้าเราศึกษาไปสักระยะหนึ่งเราก็สามารถที่จะกลับไปอ่านพระไตรปิฎกได้แต่นี้เราอ่านพระไตรปิฎกฉบับเอกสาร น, นะไม่ได้อ่านฉบับเป็นเล่มๆ เ, เลยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอ่านไปเรื่อยๆพระสูตรไม่งอกแล้วเพราะพระ อ, องค์นิพพานแล้วไม่ไม่มีเพิ่มมีเท่านี้แหละอ่านไปเรื่อยๆนะวันละสูตรสองสูตรหรือนานๆเข้าได้สักสูตรสองสูตรเดี๋ยวก็หมดเองนะเดี๋ยวก็รอบครบรอบเสร็จแล้วก็สบายลอะอต่อไปนะข้อ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 จึงไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอแสดงนี้ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้มาแล้วอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่รำ่ำไห้ไม่คร่าครวญทุ่มอกไม่ถึงความหลงพร้อมจึงไม่มีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไป คุณโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงไม่มีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายข้อที่บุคคล น, นั้นละราคานุสยัยเพราะสุขเวทนาบรรเทาปฏิคานุส s ยเพราะทุกขเวทนาถอนอวิชานุสัยเพราะอทุคขมสุขเวทนายัางวิชาให้เกิดขึ้นเพราะละอวิชาเสียได้แล้วจักเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกขในปัจจุบันได้ นั่นเป็นฐานะที่มีได้ น, นะก็แสดงว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องของเวทนาที่มาจากทางตาแสดงว่ารู้เรื่องตาเป็นอย่างดีรู้เรื่องสีเป็นอย่างดีรู้เรื่องจักรคูวิญญาณเป็นอย่างดีรู้เรื่องภสษารู้เรื่องเวทนาเป็นอย่างดีทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์นั่นแหละก็สา ม, มารถที่จะละราคะคือโลภะนั่นเองละโทสะคือปฏิฆะ หรือว่าละอวิชาก็คือโมหะนั่นเองถ้าละอันนี้ได้แล้วก็นั่นแหละทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ว่าพราะองค์กล่าวว่านะการละอาสวะเนี่ยสำหรับบุคคลที่รู้อยู่เห็นอยู่จึงละได้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นแล้วละได้ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ดีจริงๆนะจึงละได้อนะันทางหูก็ขอผ่านนะทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เลยไปหาทางมโนเลย ดูกรพิสูุทั้งหลายบุคคลอาศัยมโนุและธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณความประจวบของธรรมะทั้งสเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความสะบอยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเขาอันสุขขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พูดถึงไม่ดำรงอยู่ด้วยความติดใจจึงไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ อ, อ, อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่รำ่ำไห้ไม่คร่ำครวญทุ่มอกไม่ถึงความหลงพร้อมจึงไม่มีปฏิคานุัยนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมศุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงไม่มีอวิชานุัยนอนเนื่องอยู่ดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย ข้อที่บุคคล น, นั้นละราคานุสายเพราะสุขเวทนาบันเทาปฏิคานุสายเพราะทุกขเวทนาท้อนอวิชานุสายเพราะอทุคขมา ส, สุขเวทนายังวิชาให้เกิดขึ้นเพราะละอวิชาเสียได้แล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูความพ่สูนทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ เห็นนี่เห็นด้วยอะไรเห็นด้วยวิปัสนาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยมรคนะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสูวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสูสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหานี่ก็คือย่อมเบื่อหน่ายในธรรมะทั้งหมดที่ไหลมาจากภวานตา ย่อมเบอร์นายแม่นโสตะย่อมเบอร์นายแม่นเสียงโสตวิญญาณโสตสัมผัสและก็เวทนาและตันหาย่อมเบอร์นายแม่นาคานในกลิ่นในาคานวิญญาณคานสัมผัสและเวทนาและตันหาย่อมเบอร์นายแม่นชิวหาย่อมเบอร์นายแม่นรถย่อมเบอร์นายแม่นเชิวหาวิญญาณย่อมเบอร์นายแม่น เฉียวหาสัมผัสย่อมเบือหน่ายแม่ในเวทนาย่อมเบอร์นายแม่ในตันหาย่อมเบอร์นายแม่ในากายคำว่ากายนี้เป็นชื่อของของอะไรบ้างกายคือผอมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับไตไส้ตอดเลือดด้วยนะเลือดก็เป็นนับหนึ่งในกายด้วยนั่นแหละย่อมเบอร์นายแม่ในโพธาภะ ย่อมเบื่อหน่ายแม่นายกายะวิญญาณในกาย ะ, ะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายในกายะสัมผัสชาเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม่นายตัณหาด้วยย่อมเบื่อหน่ายแม่นาย ม, น ม, นมนโนเบื่อเคยเบื่อหน่ายผวังไหมโอ้จะต้องหลับอีกแล้วหน้าเบื่อ Tokyo? โอ้ต้องปฏิสมทอีกแล้วองค์ก็ น, น่าเบื่อเบื่อลักษณะนี้นะเบื่อเพราะรู้จริงๆเรื่องนี้แล้วนะเบื่อเพราะคิดว่าเบื่อกับเบื่อเพราะรอบรู้เรื่องนี้เหมือนกันไหมหัวห่างกันฟ้าก็บหิวนั่นแหละ เบื่อเพราะไม่รู้สักอย่างแล้วไปผูกคอตายกับเบื่อเพราะวิปัสนาเนี่ยคนละอย่างกันนะเพราะเบื่อตรงนี้เบื่อในเบื่อด้วยเอาเพราะแม้แต่ปัญญาหรือวิปัสนาก็เป็นมโนวิญญาณเป็นธรรมะที่เกิดร่วมกับมโนวิญญาณย่อมเบื่อหนายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหนายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหนายแม้ในแันหาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมียาณรู้ว่า หลุดพ้นแล้วและทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพระมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีแสดงว่าสูตรเนี้ยเนี่ยแสดงยันอรหัตตะมักเลยจบและถามว่าพระอารหันต์เนี่ยชาติไหนท่านสิ้นแล้วพระ อ, ะาอารหันต์คือท่านละนะ ชาติที่จะเกิดด้วยกิเลสเป็นปัจจัยชาติที่เป็นเอกวการขันโดยพบนะจตวการพปัญจโวการพบหรือว่าจตวการพบพบที่จะปฏิสนธิเพราะเหตุอย่างมีเนี่ยท่านละแล้วไม่ใช่ละชาติไหนแต่ถามว่าการละมีอยู่แต่ละชาติที่ที่มีตัณหาเป็นต้นเป็นปัจจัยอ่ะเพราะละตัณหาเนี่ยพบชาติจะไม่มีแล้ว แต่ท่านท่านไม่บอกว่าชาติหน้าใช่ไหมท่านไม่ได้บอกว่าละชาติหน้านะเพราะชาติหน้าของท่านไม่มีแล้วไม่มีใครเคยอ่านเจอไหมอ่านพระไตรปิฎกนะพระอรหันต์ท่านละชาติหน้าแล้วไปละทาไมมันมยังไม่ถึงอะ่ะใช่ไหมชาดหมายถึงหมายถึงชาติที่เกิดเพราะกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะนําปฏิสนธิต่อไปเพราะว่าตัณหาที่เป็นอุปนิสัยสิ้นแล้วเนี่ยการปฏิสนธิจึงไม่เกิดอีก พราะถ้าเราไปคิดว่าชาติหน้าท่านสิน้นเอ๊ะไม่แน่นะอาจจะเป็นอุเฉ ท, ท, ทัิธิินะคิดไม่ดีเป็นอุเฉท ท, ทิธิินะถ้าคิดไม่ถูกนี่เป็นอุเฉ ท, ท, ทัิธิตินะเพราะเขาบอกว่าพระยมก่าท่านบอกพระรหารตายแล้วศูนย์ใช่ไหมถือว่าเป็นความเห็นผิดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉนั้น <c oughs> ในเรื่องเหล่านี้ก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดกันต่อไปเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเดาเลยว่าถ้าพระทหารท่านจะเป็นยังไง อันเ้าบอกว่าวิธีการอาธิบายธรรมะบางอย่างถามก่อนเพื่อเพื่อให้สนใจใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะได้อธิบายในเรื่องนั้นได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าชาติไหนหรอกก็คือชาติอันต่างด้วยเอกวการภพเจตวการภพปัญจวการภพเพราะเชื้อของกิเลสมีอ่ะถ้าไม่มีภพเหล่านั้นภพเหล่านั้นไม่มีแล้วเพราะท่านหมดหมดเชื้อแล้วสมมุติว่าอย่างอ่ เรามีเมล็ดพันธุ์พืชอยู่เมล็ดพันธุ์หนึ่งเนี่ยนะถามว่าเราเอาไปต้มให้มันสุกเนี่ยเมื่อต้มสุกแล้วเนี่ยถามว่าละการการการการงอกขึ้นของสิ่งนี้ใช่ไหมถามว่างอกเมื่อไหร่ละการงอกเมื่อไหร่ในอดีตเอาอดีตก็มีแล้วละการงอกปัจจุบันมันก็เป็นเม็ดแล้ว่ละการงอกในอนาคตมันก็ยังไม่ทันไปปลูกอะ่ะถามว่ามันละอะไรเพราะมันหมดเชื้ออันนี้เข้าอะ่ะมันก็ปลูกไม่ขึ้นนั้นไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นชาติไหน นั่นแหละไม่ต้องบอกว่าชาติอดีตชาติปัจจุบันและชาติอนาคตเรื่องนี้ที่จริงท่านก็มีอธิบายไว้ในอัตถกถาหรือว่าในดีกาเช่นดีกาอธิตตะปริยยสูตรอย่างเงี้ยหรือว่าในอนัตตลักษณะสูตรนี้กนะ็มีอธิบายพอฟังสูตรนี้จบพอมองเห็นข้อปฏิบัติของเราได้ไหมพอมองเห็นว่าเราเอ้่นี่เป็นข้อปฏิบัติได้ไหม แต่ว่าก่อนที่จิตจะรับขึ้นสู่วิถีทางมโนทวารทุกวิถีต้องผ่านผวังกร น, นั่นแหละทั้งอ่าบางแห่งก็มโนทวาราวชนาจิตนี้ก็เป็นเรียกว่ามโนโด้วยบางแห่งก็ชอบอ่ามโนทวาราวชนะจิตก็เรียกมโนวิญญาณนั่นแหละอ่านะพอมองเห็นข้อปฏิบัติไหมในสูตรนี้จบสูตรไปแล้ว นั่นแหละก็พระสูตรนั้นเนี่ยพระท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์หกสิบองค์ใช่ไหมบอกว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังตรัสวยากรณภาสิทธินี้อยู่ภิกษุประมาณหกสิบรูปได้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นแล่นั่นแหละ ้เราก็พอมองเห็นข้อปฏิบัติหรือถ้าไม่เห็นฟังอีกสักสูตรหนึ่งก็ได้ในข้อความในคำพีเดียวกันแต่อยู่คนละสูตร